สงได้ให้ปริวาสสองเดือนสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนันหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสง ภิกษุนั้นขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้2เดือนแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน เรานั้นคิดว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นจึงขอปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เรา เมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าชะไหนหนอเราพึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิสูจนนั้นบอกแก่พิสษุน์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า เราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนชะไหนหนอเราพึงขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงกระผมนั้นขอปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาดหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมเมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาา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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนแก่ภิกษุนั้น